เวลาถ้าอาธิบายธรรมะเป็นตอนๆเป็นทักทักไปเรามีข้อความใจจิตใดอยู่เพราะท่านเทศฐานไปตรงนั้นเราก็ได้รับความเข้าใจทันทีทันทีแล้วค่อยเข้าใจไปเรื่อยๆแต่ก่อนที่จะอ่านในประวัติว่าครั้งปฏิการพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพุทธบริษัทได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจํานวนมากมาย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 ของการก้าวไปแห่งจิตหรือเป็นหลักสำคัญแห่งความรู้เป็นหินรักปัญญาอย่างยิ่งก็คือขันทาสติปัญญาและแม่ันที่เป็นข้าศึกต่อตนเองอย่างยิ่งก็คือขันฉังนั้นจึงต้องพิจรารณาขันขันมีติดแนบกับเราอยู่ตลอดเวลาส่อความพิรุธส่อความทุกข์ความลำบากลำบนความทรมานต่างๆดูกับ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 เมตนาไตรลักษณ์สัญญาก็ไตรลักษณ์สังขารก็ไตรลักษณ์ยิญญาณก็ไตรลักษณ์เขาเป็นความจริงของเขาโดยสมบูรอยู่แล้วตามความจริงทังตัเราอย่าไปยึดเราอย่าไปสําคัญอย่าไปปักปันเหตุเด น, นเอาว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราเราก็สม า, ายเนี่ยการพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้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 จิตโดนรั้วนั่นหมายถึงว่าจิตกับอวิชชาไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งอย่านี้เลยแล้วเอาจิตอันนั้นอือคือเอาความรู้ความรู้ประเภทที่ปล่อยวางจากรูปจากนามหมดแล้วนี้จะเป็นความรู้ที่เด่นที่สุดเป็นความรู้ที่อัศาจรรย์อยู่มากมายกลายกองจนเจ้าตัวก็ต้องหลงเชินกับความรู้ประเภทนี้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 โอนมาจากไล่จากนาจากอะไรอะไรก่าที่จะทํามาเต็มแล็ดข้าวให้สําเร็จขึ้นมาถึงการนับทานนี่มันดืดยาวอทําเป็นปีหน่อยมีการพิจารณาทำก็เริ่มมาตั้งแต่ล้มลุกคุ่ครานพุทธพุทโธธรรมโมสังโฆล้มแล้วล้มอีกอย่นั้นแหละลูกกี่ครึ่งกี่ล้มกี่ลุกแหละพยายามเสือกคานมาโดยลําดับด้วยความอุตสาห์พยายามเรื่อยมะ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 ว่าผูนี้น้อยผู้นี้เป็นผู้ใหญ่ผู้นี้อโวุโสผู้นี้พันเตะเพราะความไม่สุดช่องเหมือนกันเนี่ัแยกตารสมมุติเล่ากําหนดทางด้านสมมุติทิศทุกเดียวท่าั้นพระพุพทธเจ้าประทับตรงหน้าไปแล้วบรรดาสาวกเพียงลาดับลำดานี่คือสมมุติในความเรพในทางสมมุติเป็นอย่างนี้มีอโวุโส พ, พันเตะอย่างนี้นานท่านแยก ท, ทั้งสมมติทั้งสมมุติให้เห็นอย่างชัดเจน